บทที่49นางดวงดารานางดวงดาราตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานอย่างเคร่งคลัดหล่อนต้องการหายจากโรคประสาทที่เป็นมาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นปถมลุงพ่อบอกว่าโรคนี้เป็นโรคกรรมมีวิธีแก้ได้ทางเดียว คือการเจริญพระกรรมฐานหลอนไม่รู้ว่าเหตุใดจึงเกิดความรู้สึกผูกพันกับหลวงพ่อมากมายนักรู้สึกรักและเคารพเหมือนกับท่านเป็นบิดาบังเกิดเกล้าเพียงได้ฟังนางสาวต้นหลิวพูดถึงท่านหลอนก็เกิดศรัทธาดั้นด้นมาให้ท่านช่วยครั้นมาถึงก็ยิ่งอัศจรรย์ใจเพราะท่านรู้ความเป็นมาและเป็นไปของหลอนซึ่งแม้หลอนเองก็ไม่ได้รู้ท่านยังบอกอีกว่า เมื่อล่อนใช้กรรมเรื่องประบูแล้วยังมีกรรมหนักหนาสาหัสกว่า น, นี้ที่ทำไว้ในอดีตชาติและจะมาให้ผลในชาติปัจจุบันหล่อนจะต้องรู้ให้ได้ว่าเป็นกรรมอะไรทำไว้กับใครที่ไหนคืนที่ห้าของการปฏิบัติหลังจากสอบอารมณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนท่านพระครูพูดขึ้นว่าคนที่มาปฏิบัติเพื่อแก้กรรมก็ให้กลับไปปฏิบัติต่อที่ห้องพัก รู้ว่าถ้าทำกรรมอะไรไว้ก็ให้ตั้งสัจญาว่าข้าพเจ้าจะเดินจงกรมสองชั่วโมงนั่งอีกสองชั่วโมงแล้วก็อธิษฐานจิตให้ระลึกชาติได้และเห็นกฎแห่งกรรมที่เคยทำไว้ต้องมีสัจจ์ถึงจะอธิษฐานขึ้นใครไม่มีสัจจะอธิษฐานไม่ขึ้นเอาละแยกย้ายกันกลับไปที่พักได้ท่านรู้ว่าคนที่ปฏิบัติได้ มีอยู่เพียงผู้เดียวคืออาจารย์ลูกสามซึ่งในอดีตชาติเคยเป็นพระธิดาของท่านส่วนคนอื่นๆยังใจไม่ถึงด้วยอินทรียังไม่แก่กลราาพอเมื่อกลับถึงที่พักพวกเขาก็จะง่วงเหงาหานอนอาบน้ำอาบท่าแล้วก็จะพักผ่อนนอนหลับเพื่อจะไปตื่นตอนตีสามครึ่งเมื่อได้ยินเสียงระฆังปลุกให้ตื่น กลับถึงที่พักแล้วอาจารย์วัย33ามจึงอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อจะปฏิบัติต่ออีกสีชั่วโมงแล้วจึงเดินกลับไปกลับมาอยู่ในห้องพักแคบๆนั้นหน้าแปลกหล่อนไม่รู้สึกง่วงหรือเบื่อหน่ายแต่อย่างใดกลับรู้สึกกระปรี้กระเปร่าสดชื่นเบิกบานแล้วก็มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการก้าวเดินการกลับ หรือการกําหนดยืนหนอหล่อนจึงเดินอย่างมีสติทุกย่างก้าวกระทั่งเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นจึงเดินอย่างมีสติไปยังที่ที่จะนั่งซึ่งมีเบาะบางๆวางอยู่กําหนดนั่งแล้วจึงเอื้อมมือไปกดปุ่มนาฬิกาให้หยุดส่งเสียงช่วงเวลาที่นั่งหล่อนไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกเพราะเสียงจะไปรบกวนสมาธิแต่ จะใช้วิธีอธิษฐานจิตแทนแล้วจึงอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานว่าจะนั่งภาวนาเป็นเวลาสองชั่วโมงติดต่อกันเมื่อครบสองชั่วโมงแล้วขอให้ข้าพเจ้ารู้ตัวได้เองโดยไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกอธิษฐานแล้วหล่อนจึงนั่งกำหนดลมหายใจด้วยการบริกรรมว่าพองหนอเมื่อหายใจเข้า ซึ่งท้องก็จะพองขึ้นและยุบหนอเมื่อหายใจออกซึ่งท้องจะยุบลงกษัตริย์ในอดีตชาตินั่งกำหนดพองยุบอย่างเพลิดเพลินและกำหนดได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนแม้สักครั้งและเมื่อจิตรู้ว่าอีกห้านาทีจะหมดเวลาบรรดาฝูงเปรตก็พากันมาขอส่วนบนมีทั้งเปรตเจ้าถิน และเปรตต่างถิ่นในบรรดาเปรตต่างถิ่นนั้นก็ยังจำแนกออกเป็นเปรตในประเทศและเปรตต่างประเทศเปรตเหล่านี้จะบอกต่อๆกันไปว่าที่วัดปามะม่วงมีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานและมีการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้เปรตทุกวันพวกเปรตก็บอกเพื่อนฝูงญาติมิตรของตนให้มารับส่วนบุญ เปรตที่มีญาติอยู่ต่างประเทศก็จะไปบอกญาติและการเดินทางของเปรตก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนการเดินทางของมนุษย์ซึ่งจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนก่อนจะขึ้นเครื่องบินก็ต้องถูกตรวจแล้วตรวจอีกแม้สิ่งของที่นำติดตัวไปด้วยก็ยังถูกเอ็กซเรย์แต่เปรตไม่ต้องทำอย่างนั้นเพียงคิดว่าจะไปก็ถึงแล้วดังที่หลวงพ่อท่านพูดเสมอว่า จิต us, ไม่ติดไฟแดงเมื ga, ad ad er The rauen, ่อสติบอกว่าครบสองชั่วโมงตามที่ได้อธิษฐานจิตไว้แล้วอดีตกษัตรีจึงอุทิศส่วนกุศลให้กับเปรตไทยและเปรตเทศว่าอิทางสัพพะเปตานังโหตุสุกิตาโหตุสัพเพเปตา ขอส่วนบนนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงจะมีความสุขได้รับส่วนกุศลกันทั่วหน้าทุกตัวตนแล้วเปรตทั้งหลายก็แยกย้ายกันไปนางดวงดาราตั้งจิตอธิษฐานตามที่หลวงพ่อแนะนำบัดเดินนั้นหล่อนก็ระลึกรู้เรื่องราวแต่ปางหลังครั้งที่หล่อนเกิดเป็นพระธิดาของกรรษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งครองเมืองเล็ก อยู่ทางตอนเหนือของอาณาจักรสุขโขไทยกษัตริย์พระองค์นั้นคือหลวงพ่อหล่อนจึงรู้เหตุผลต้นปลายว่าเหตุใดจึงเกิดรู้สึกรักเคารพท่านดุจบิดาบังเกิดกล้าวหล่อนเป็นนักรบสตรีผู้เก่งกล้าเสด็จตามพระราชาบิดาออกไปในสงครามเสมอส่วนพระอนุชาไม่ชอบการรบ แต่ชอบไปสนทนากับพระเถระตามวัดต่างๆเมื่อเกิดสงกรามก็ไม่นำพาที่จะมีตำแหน่งเป็นมหาอุปราชหล่อนต้องเคียงบ่าเคียงไหลพระบิดาออกรบแล้วก็ได้ชัยชนะทุกครั้งก่อนเสด็จสวรรคตพระบิดาสละราชสมบัติและทรงแต่งตั้งหล่อนให้ครองเมืองแทนยังความกวเกลี้โกลธดโกรธาให้แก่พระนุชา ย, ยิ่งนัก ถึงกับกราวาจาล่วงเกินพระบิดาว่าจะไม่ขอเกิดร่วมแผ่นดินกับพระบิดาอีกหล่อนไม่รู้ว่ามาหาอุปราชนิ่งเมืองผู้เป็นอนุชาหล่อนในครั้งกระโน้นไปเกิดที่ไหนคงจะต้องกราบเรียนถามหลวงพ่อหล่อนแน่ใจว่าท่านต้องรู้เมื่อไม่ได้ครองราชสมบัติพระอนุชาก็หายหน้าหายตาไปและหล่อนก็คิดว่า หากเขาไปซ่องสมผู้คนเพื่อมาแย่งราชบัลลังก์หล่อนจะทำสงครามกับเขาและจะไว้ชีวิตหากเขาขอแต่ถ้าเขายังดื้อดึงไม่ยอมงอนง้อขอชีวิตหล่อนจะประหารเขาด้วยมือของหล่อนเองแต่พระอนุชาก็ไม่ได้กลับมาหล่อนจึงไม่ต้องมีเวณมีกรรมกับเขาแล้วใครเล่าที่หล่อนไปก่อกรรมทำเวณไว้บั ด, ด น, นั้นภาพของ มัทุรสนางสนมคนสนิทก็ปรากฏในนิมิตเป็นภาพเหตุการณ์ที่หลอนถูกกษัตรีลงโทษถึงแก่ความตายด้วยความผิดเพียงน้อยนิดจุธามณีของกษัตรีหายไปต่อมาพระนางพบว่าอยู่ในห้องแต่งตัวของนางสนมคนสนิทจึงจับนางล่ามโซ่ขังไว้ในห้องใต้ดินพระแม่เจ้าได้ปลดไว้ชีวิตหม่อมชันด้วยเธอเปคะ อย่างลงโทษหม่อมฉันอย่างนี้เลยเพคะนางสนมร้องขอเจ้าบาังอาจขโมยของข้าไม่ลงโทษเจ้าจะให้ลงโทษผู้ใดหรือหม่อมฉันไม่ได้ตั้งใจขโมยเพคะเพียงแต่หยิบไปดูแล้วก็จะนำไปไว้ที่เดิมหม่อมฉันไม่เคยคิดจะขโมยของพระแม่เจ้าเจ้าไม่ต้องมาแก้ตัวข้าไม่อยากฟังเป็นผีเฝ้าห้องนี้ไปก็แล้วกัน รัดแล้วพระนางก็เสด็จออกจากห้องปิดประตูลงดานด้วยพระองค์เองเสียงนางสนมเล็ดลอดออกมาว่าพระแม่เจ้าโหดร้ายเวรกรรมจะตามสนองพระแม่เจ้าหม่อมฉันจะขอจองเวรจองกรรมไปทุกทุกชาติถ้อยคําของนางสนมไม่ได้ทำให้กษัตริย์มีพระฤทัยอ่อนไววความเย่อหยิ่งทนงตนว่าเก่งกล้าสามารถทาให้พระนางไม่ยีระ กับเวรกรรมใดๆไม่สงเชื่อด้วยซ้ำว่าเวรกรรมมีจริงวันหนึ่งเจ้าชายสหัสชัยผู้เป็นพระสวามีตรัสถามกษัตริย์ว่ามัทรสสนมของน้องหายไปไหนไม่เห็นหน้าเห็นตามาหลายวันแล้วหรือว่านางไม่สบายนางทำความผิดหม่อมฉันจึงจับนางล่ามโซ่ขังไว้ที่แห่งหนึ่งไม่ช้านางก็จะตายเพราะอดข้าวอดน้า พระมเหสีตรัสตอบนางทำผิดอันใดหรือน้องเจิงลงทันนางหนักหนาสาหัส ถ, ถึงปานนั้นนางขาโมยปิ่นปักผมของหม่อมชั้นไปแล้วก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจหม่อมชั้นเป็นนักรบผู้เก่งกล้าสึกภายนอกหม่อมชั้นยังปราบได้แล้วเหตุไฉนสึกภายในหม่อมชั้นจะมายอมแพ้มธุรสหยามหม่อมชั้นมากเกินไปจนไม่อาจจะให้อภัยได้ ปินอ น, นั้นอยู่ที่ไหนพระสวามีตรัสถามหม่อมฉันไปพบในห้องของนางจึงนํากลับมาไว้ที่เดิมแล้วเพคะในเมื่อได้ของคืนมาแล้วน้องก็ควรจะให้อภัยโทษแก่นางอภัยไม่ได้เพคะนางจะต้องตายอย่างทรมานและถ้าพี่จะขอชีวิตคืนให้แก่นางน้องจะให้หรือไม่หม่อมฉันไม่ให้ ตรัสได้เสียงเฉียบขาดแม้แต่พระสวามีขอร้องอย่างนั้นหรือเจ้าชายหัศชัยกริว้วไม่ว่าจะเป็นพระสวามีพระโอรสหรือพระธิดามาทูลขอหม่อมชั้นก็ให้ไม่ได้ดวงดาราพระสวามีเอ่ยพระนามเหสีด้วยความกริว้วแล้วตรัสว่าน้องช่างเป็นคนดือ้อรัน้นไม่ยอมฟังใครเลย พี่เสียใจที่น้องเป็นคนอย่างนี้ถ้าไม่เห็นแก่พี่ก็น่าจะเกรงกลัวบาปกรรมบ้างที่พี่ขอชีวิตนางไว้ไม่ใช่พี่จะมีจิตปฏิพั์ต่อนางก็หาไม่เพียงแต่พี่ไม่ต้องการให้น้องสร้างกรรมทำเวร น, น้องไม่กลัวกรรมตามสนองหรืออย่างไรไม่กลัวเพคะกระสัิยรตรีดดวงดาราไม่กลัวอะไรทั้งสิ้น อาจารย์ลูกสามเพลิดเพลินอยู่กับเรื่องราวในอดีตขณะเดียวกันก็ให้รู้สึกอัศจรรย์ใจนักที่วัตถกชีวิตช่างลึกลับซับซ้อนไม่น่าเป็นไปได้ว่าหล่อนกลับสามีซึ่งเคยเป็นคู่กันมาแต่ชาติปางก่อนมาชาตินี้ก็ยังคงเป็นคู่กันดังเดิมและในชื่อเดิมแม่หล่อนเล่าให้ฟังว่าหล่อนเกิดกลางดึกของคืนข้างแรม ท้องฟ้าไร้จันทร์มีแต่ดวงดาราส่องแสงระยิบระยับอยู่บนท้องฟ้าพ่อจึงตั้งชื่อหล่อนว่าระยับแต่แม่ขอเปลี่ยนเป็นดวงดาราหล่อนจึงได้ชื่อเหมือนในชาติที่เป็นกษัตริย์และที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์กว่านั้นก็คือดรสหัสชัยสามีของหล่อนในชาตินี้ก็คือเจ้าชายสหัสชยัยพระสวามีของหล่อนในชาตินั้น เขาเคยเล่าว่าที่ได้ชื่อสหัตชัยเพราะแม่ตั้งให้ตอนแม่ท้องแม่ฝันเห็นผู้ชายคนหนึง่งแต่งองค์ทรงเครื่องแบบกษัตริย์เหมือนอย่างที่เห็นในลิเกผู้ชายคนนั้นบอกว่าจะมาขอเกิดเป็นลูกและขอให้ตั้งชื่อว่าสหัตชัยแม่จำฝันได้แม่นยำแถมให้พ่อจดไว้เจ้าชายสหัตชัยจึงได้มาเกิด เป็นด็อเตอร์สหัตใจในชาติปัจจุบันด้วยประการชนี้นางดวงดาราหวนิดถึงอดีตครั้งที่พบกับด็อเตอร์สหัตใจเป็นครั้งแรกตอนนั้นหล่อนมีคู่รักแล้วเป็นเพื่อนนักเรียนที่เรียนครูมาด้วยกันนินนาธ รักดวงดารามาเนิ่นนานกว่าหล่อนจะยอมรับเขาเป็นคู่รักก็ต้องใช้เวลาหลายปีครั้นเขาขอแต่งงานหล่อนก็ผัดผ่อนเรื่อยมาแต่เขาก็ยังมีความหวังอยู่มาวันหนึ่งหล่อนก็มาบอกว่าหล่อนจะแต่งงานกับด็เตอร์สหัตใจจะไม่แต่งกับเขาเมื่อเขาขอทราบเหตุผลหล่อนจึงอธิบายว่าดาราพบผู้ชายคนนึง ซึ่งพอเห็นปุ๊บก็เกิดความรู้สึกว่าคนนี้แหละคือเนื้อคู่ของดาราเขาเป็นชายในฝันดาราเคยดูหนังเรื่องหนึ่งที่นิชัยบัญชาแสดงเป็นพระเอกและเป็นนักเรียนนอกหิ้วกระเป๋าเจมส์บอนเดินจากเครื่องบินดารารู้สึกประทับใจมากถึงกับบอกตัวเองว่าจะต้องแต่งงานกับนักเรียนนอกที่ฮิวกระเป๋าเจมส์บอนเดินลงมาจากเครื่องบิน แต่จนแล้วจนรอดดาราก็ไม่เจอผู้ชายในฝันรู้สึกหมดหวังคิดว่าชาตินี้คงไม่ได้พบชายในฝันแล้วจึงยอมรับนินนาถเป็นคู่รักเพราะเห็นนินนาตามตื้อดารามาหลายปีแต่มาวันนี้ดาราขอถอนคำพูดเพราะดาราพบผู้ชายในฝันแล้วดาราขอโทษที่ทำให้นินนาถอกหักหล่อนยกมือไหว้เขาพร้อมกล่าวคาขอโทษ นิน่าเสียใจถึงกับน้ำตาคลอหน่วยตาทั้งสองข้างเขาพูดกับหล่อนเสียงเครือว่าคุณพบนักเรียนนอกหิ้วกระเป๋าเจมบอนเดินลงจากเครื่องบินอย่างนั้นหรือพบที่ไหนเมื่อไรดาราพบด็อกเตอร์คนหนึ่งเขาเป็นนักเรียนนอกแต่ไม่ได้หิ้วกระเป๋าเจมบอนเดินลงเครื่องบินพอดาราเห็นเขาก็รู้สึกรักทันที นี่พูดอย่างไม่อายเลยนะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรยิ่งรู้ว่าเขาเป็นนักเรียนนอกดาราแทบจะขอแต่งงานกับเขาเลยทีเดียวหลอนพูดตรงไปตรงมาดาราคุณเป็นเอามากนะไม่ได้เป็นน้อยๆเลยคุณถูกเจ้าหมอ น, นั่นทำเสน่ห์หรือเปล่ามันแอบเอนาน้ำมันพรายมาป้ายคุณเป็นแน่ๆเลยนินาทคาดเดา คงไม่ใช่เพราะเขายังไม่ได้ถูกเนื้อต้องตัวดาราเขาคงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าดาราหลงรักเขามันเป็นรักแรกพบนะนินาทไม่เข้าใจหรอกเราเลิกคบกันแบบคู่รักเถอะนะเป็นเพื่อนกันดีกว่าคุณรักมันมากนะหรือเขาถามได้จิตริษยามากที่สุดในชีวิตดาราจะต้องหาทางแต่งงานกับเขาให้ได้ ถ้าผมจะบอกว่าผมไม่ยอมละ่ะผมจะไม่ยอมเลิกรักคุณแต่ดาราไม่ได้รักคุณนินาปล่อยดาราไปเถอะนะหลอนวัาวอนแต่นินนาดพูดเสียงกล้า ว, ว่าถ้าผมจะบอกว่าจะฆ่าคุณกับมันให้ตายพร้อมๆกันคุณจะเลิกรักมันหรือไม่กษัตริย์ในอดีตตอบทันทีว่าไม่เลิกดารายินดีจะตายพร้อมๆกับเขา จะยอมเสียสละชีวิตเพื่อบูชาความรักพูดเป็นนิยายน้ำเน่าเลยนะชีวิตกับนิยายไม่ต่างกันหรอกนินนาธเอาเถอะวันนี้คุณยังทําใจไม่ได้แต่วันหนึ่งคุณจะทําใจได้และก็จะลืมดาราคนนี้เมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะนินนาธไม่สามารถทําให้หล่อนเปลี่ยนใจได้เขาจึงต้องใช้ไม้ตาย นั่นคือลงทุนร้องไห้คิดว่าน้ำตาลูกผู้ชายคงจะทําให้ผู้หญิงอย่างดวงดาราใจอ่อนลงบ้างทว่าน้ำตาของเขาช่างไร้ประโยชน์เพราะวีรกษัตริย์ในอดีตชาติพูดด้วยเสียงปกติธรรมดาว่านินนาทผู้ชายเขาไม่ร้องไห้กันหรอกนะคุณจะร้องไห้ไปทําไมในเมื่อมันไม่ได้ทาอะไรให้ดีขึ้นเอาเถอะวันนี้ คุณยังทำใจไม่ได้แต่วันหนึ่งคุณจะต้องทำใจได้คนเราต้องยอมรับความจริงต้องอยู่กับความจริงอย่าอยู่กับความเท็จอย่างไรเรียกว่าเท็จก็คุณพยายามหลอกตัวเองว่าดารารักคุณทั้งที่ดาราไม่ได้รักบอกให้ก็ได้ว่าที่ดารารับรักคุณก็เพราะสงสารเห็นคุณตามตื้ออยู่หลายปี และตอนนั้นดาราก็ยังไม่มีใครถ้าไม่รับรักคุณก็เกรงว่าจะต้องขึ้นคานดาราไม่อยากขึ้นคารไม่อยากเป็นสาวทึนทึกแต่ดี๋ยนี้ดาราพบชายในฝันแล้วจึงขอเลิกคบกับคุณพูดง่ายๆอย่างนี้เองหรือดาราจะไม่พูดอย่างเดียวเอาเถอะดารามีวิธีที่จะทำให้คุณลืมดาราได้ ขอสัญญาด้วยเกียรติของลูกผู้หญิงหล่อนจัดการตามที่พูดด้วยการแนะนําให้นินนาตรู้จักกับรุ่นน้องคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นสวยน่ารักพูดจาอ่อนหวานพูดกับเขาคักขาทุกคํขาขณะที่หล่อนเป็นคนแข็งและพูดหุน้นห้นในที่สุดนินนาตก็แต่งงานกับรุ่นน้องโดยมีหล่อนเป็นแม่สื่อแม่ชักหมดเรื่องนินนาตแล้ว ลอนก็จัดการกับตัวเองด้วยการแต่งงานกับด็เตอร์สหัดชัยหลอนไม่ถึงกับออกปากขอแต่งงานกับเขาเพียงแต่ใช้มารยาหญิงห้าสิบเล่มเกวียนคือไม่ต้องถึงร้อยเล่มเกวียนก็ได้แต่งงานกับเขาทั้งที่พ่อแม่เขาก็ไม่ค่อยจะพอใจนักเพราะได้ไปพูดจาท้าทามลูกสาวเจ้าของโรงสีไว้ให้ลูกชายแล้ว ภาพยนต์แห่งพบชาติของดวงดาราสะดุดหยุดลงด้วยเสียงระฆังเมื่อเวลาตีสามครึ่งหล่อนกำหนดสติออกจากการภาวนาแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลแล้วจึงรีบอาบน้ำแต่งตัวเพื่อจะไปทำวัดเช้าตอนตีสี่วันนี้หล่อนจะต้องไปรายงานให้หลวงพ่อทราบก่อนที่จะถึงวันทำวัดเช้าหล่อนเดินกำหนดขวาซ้ายขวาซ้าย ไปยังกุฏิของท่านเป็นเวลาที่ท่านเปิดประตูออกมาเพื่อจะนำผู้ปฏิบัต <confuse rer> ิ <Ment oring> ทำวัดเช้าพอดีหล่อนนั่งคุกเข่ากราบลงแทบเท้าของท่านกราบเรียนว่าเสด็จพ่อเพคะหญิงล่วงรู้เหตุการณ์ในดิตชาติเพคะว่า หญิงเป็นธิ่ดาของเสด็จพ่อในอะไรการเล่นลิเกแต่เช้ามืดเลยหรือท่านรครูพูดยิ้มยิ้มท่านรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลอนเพคะหญิงปฏิบัติตามที่เสด็จพ่อทรงแนะนำแล้วก็รู้ว่าหญิงได้ทําผิดไว้กับนางสนมแต่หญิงไม่ทราบว่าจะได้รับกรรมอย่างไรบ้างนางผูกอาฆาตหญิงเสด็จพ่อต้องช่วยหญิงนะเพคะ ช่วยไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าอัตติอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรोสิยาตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เพราะฉะนั้นหนูจะต้องช่วยตัวเองปฏิบัติให้มากๆแล้วก็จะรู้ว่าชดใช้กรรมเวรได้อย่างไรเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจเพคะ ยิงจะปฏิบัติตามคำทรงสอนเสด็จพ่อทุกอย่างหญิงขอฝากชีวิตไว้กับเสด็จพ่อเพคะไม่ต้องฝากชีวิตไว้กับคนอื่นฝากไว้กับตัวเองหนะดีแล้วแล้วก็นำพาชีวิตออกจากวัฏจักรชีวิตให้จงได้หญิงไม่เข้าใจเพคะเอาละ่ะปฏิบัติมากๆแล้วก็จะเข้าใจเองเลิกผูดเรียนแบบลิเกได้แล้ว ขอให้พูดธรรมดารรมดาเหมือนคนอื่นๆที่เขาพูดกันประเดี๋ยวใครมาได้ยินเขาจะหาว่าหนูเพี้ยนเพคะเออเจ้าค่ะแต่หญิงขอหญิงลูกอยากทราบอีกเรื่องเดียวคืออยากทราบว่ามิ่งเมืองพระอนุชาของลูกไปเกิดที่ไหนเจ้าค่ะเกิดที่ประเทศสิงคโปร์เกิดเป็นผู้หญิง อีกห้าปีข้างหน้าเขาจะมาบวชชีที่วัดนี้แล้วก็จะมาช่วยหลวงพ่อสอนกรรมฐานให้ชาวต่างประเทศเขาลั่นวาจาว้าว่าจะไม่ขอเกิดร่วมแผ่นดินกับหลวงพ่อแต่เขาก็ต้องมาช่วยงานที่วัดนี้เอาละได้เวลาทำวัดเช้าแล้วไปกันเถอะและท่านจึงเดินนำอาจารย์ลูกสามไปยังหอประชุมเจริญชยัยที่บรรดานักปฏิบัติธรรมรออยู่ การทำวัดเช้าในวันนี้พิเศษกว่าทุกวันเพราะท่านพระครูได้สวบดบทกรวดน้ำตอนเช้าเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบทกล่าวคือนอกจากบทสัพพปฏิทานคคาถาและท่านก็ยังให้สวบดบทปัทนะถาปานคคถาเพิ่มอีกบทหนึ่งด้วยโดยเฉพาะหกคาถาสุดท้ายโดยเฉพาะบทของปัทนะถาปานคคาานั้น ท่านขอให้ผู้ปฏิบัติทุกคนท่องให้ขึ้นใจจะได้ตัดขาดจากวัฏจักรชีวิตได้เร็วขึ้นหกคาถาสุดท้ายมีดังนี้สัพยาปายุปาเยสุเชโกธรรมะโกวิโทเยเย ว, วัตตวะสัชงเมยานังอะเควะมาลุโตขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเจริญและความเสื่อม เป็นผู้เฉียบแหลมในอัฏฐะและธรรมขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ขัดข้องในธรรมที่ควรรู้หลุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้นยากาจิสุกรลามยาสาสุเขณะสิชตังสถาเอวังวุตตาคุณาสัพเพโหนตุไมหังพระเวพระเวแปลว่าความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นกุศล ขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อคุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกทุกยะธาอุปชิติสัมพุทโธมโอกเทสโกตทามุทโธกุ ก, ก ร, รมเมหิลัทโทกาโศะเวยาหังเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกเกิดขึ้นแล้วในโลก เมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมมนุษย์สัตว์ตัญจะลิงคัตจะปปัพ ช, ชันจุดสัมปทางและพิตะวาเปสโลศีลีทารยังสัตถุสาสนางขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว เป็นคนรักษาศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระศาสดาสุขาปฏิปโทขิปปาพินโยสัชิการะระยะหังอรหันตพลังอักขังวิชาคุณะลังกตังขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติโดยสะดวกรัตสรู้ได้พลันกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลอันเลิศอันประดับด้วยธรรมมีวิชาเป็นต้น ญาินุปปัชติพุทโธกามังปริปุลันจะมีเอวังสันเตและเผยหังปเจกะโพธิมุตตะมันติถ้าหากพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ยานเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอันสูงสุดเถิน